เนมิราชาชาดกว่าด้วยพระเจ้าเนมิทรงบำเพ็ญอธิฐานบารมีพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าน่าอัศจรรย์หนอการที่พระเจ้าเนมิผู้เป็นบัณฑิตมีพระประสงค์ด้วยกุศลทรงเกิดขึ้นในคราวที่บุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายเกิดขึ้นในโลกพระเจ้าเนมิผู้ทรงทรมานอริราชศัตรู ของชาวแคว้นวิเทหะทั้งปวงได้บริจาคแล้วเมื่อพระองค์ทรงบริจาคทานอยู่นั้นก็เกิดพระดมฤิขึ้นว่าทานก็ดีพรหมจรรย์ก็ดีอย่างไนเล่าจะมีผลมากท้าวมาขวานเทพกุญชรสหสเนสนศงราบ พ, พระดมฤิของพระเจ้าเนมิแล้วปรากฏพระองค์ทรงกำจัดความมืดด้วยพระรัศมีแล้วพระเจ้าเนมิจอมนุษย์ ทรงมีพระรมชาติชูชันได้ตรัสถามท้าววาส ว, ว่าท่านเป็นเทวดาเป็นคนทันหรือเป็นท้าวสักกะผู้บำเพ็ญทานในภพก่อนกันแน่รัสมีเช่นนั้นข้าพเจ้าไม่เคยได้เห็นหรือไม่เคยได้ยินมาเลยแน่ท่านผู้เจริญขอท่านจงบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรู้จักท่านได้อย่างไรท้าววาสวสงทราบว่าพระเจ้าเนมิมีพระรมชาติจูชัน ได้ตรัสตอบว่ามอมฉันเป็นเท้าสักกะจอมเทพมาในสำนักของพระองค์พระองค์ผู้เป็นจอมมนุษย์พระองค์อย่าทรงมีพระลุมชาติชูชันเชิญตรามปัญหาที่พระองค์ทรงพระประสงค์เถิดพระเจ้าเนมินั้นเมื่อเท้าเธอทรงถวายโอกาสจึงได้ตรัสกับเท้าวาส ว, ว่าข้าแต่มหาราชผู้เป็นใหญ่แห่งผู้ทั้งปวงข้าพระเจ้าขอถามพระองค์ ทานก็ดีพรหมจรรย์ก็ดีอย่างไหนมีผลมากกว่ากันเล่าท้าววาสวะถูกพระเจ้าเนมิผู้เป็นเทพแห่งนรชนตรามแล้วเมื่อจะตรัสต่อพระเจ้าเนมิท้าวเธอทรงทราบวิบากแห่งพรหมจรรย์อยู่จึงได้ตรัสบอกแก่พระเจ้าเนมิผู้ไม่ทรงทราบว่าบุคคลย่อมเกิดในตระกูลกษัตริย์ได้ด้วยพรหมจรรย์ชั้นต่ำเข้าถึงความเป็นเทวดาได้ด้วยพรหมจรรย์ชั้นกลาง ย่อมบริสุทิ์ได้ด้วยพรหมจรรย์ชั้นสูงเพราะพรหมจรรย์เหล่านี้มิใช่จะหาได้ง่ายๆด้วยการประกอบพิธีวิงวอนขอร้องอะไรๆบุคคลผู้ที่เกิดในหมู่พรหมได้ต้องออกบวชบำเพ็ญตบะท้าวสกกะเทวราชเมื่อจะทรงแสดงเรื่องที่พระราชาทั้งหลายในอดีตผู้บริจาคมหาทานแล้วไม่สามารถพ้นไปจากกามาวจรพบได้จึงได้ตรัสว่า 1. พระเจ้าทุทีปะ 2. พระเจ้าสาคระ 3. พระเจ้าเสละ 4. พระเจ้ามุจลิน 5. พระเจ้าพัีรสะ 6. พระเจ้าอุสินะ7พระเจ้าอัฐกะ 8. พระเจ้าปุตทุธนะพระราชาเหล่านั้นพระราชามหากษัตริย์เหล่าอื่นและพวกพราหมณ์เป็นอันมาก ต่างก็บูชายันเป็นอันมากแล้วก็ยังไม่ล่วงพ้นพบแผงเปรตได้ชนเหล่าใดไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวไม่ยินดีกับใครย่อมไม่ได้ปีติอันเกิดแต่วิเวกชนเหล่านั้นถึงจะมีสมบัติเสมอกับทิพยาสมบัติของพระอินทร์ก็จริงถึงอย่างนั้นชนเหล่านั้นแหลยังชื่อว่าผู้ตกยากเพราะมีความสุขเนื่องด้วยผู้อื่น ท้าวสักกะเทวราชเมื่อจะทรงแสดงเหล่าดาบทผู้ล่วงโพบแผงเปรตได้แล้วบังเกิดในพรหมโลกด้วยการประพฤติพรหมจันทร์จึงตรัสว่าฤรือศีทั้ง7 เ, เหล่านี้คือ 1. ยานะหณะรือศี 2. สมยาคารือศี 3. มโนชวะรือศีสี 4. สมุทธะรือศี 5. ามาคารือศี 6. ภพารตะฤรี กาลปุรคิตะรือศีกับรือศีอีกสตนคือ 1. อังคีรสะรือศี 2. กักสปะรือศี 3. ยิสวสชาชะรือศีสีอ่อกติรือศีออกบวชบำเพ็ญตบะล่วงพ้นกามาวจรพบได้แน่นอนเท้าสกเกทวราชเมื่อจะทรงเล่าเรื่องที่ตนเคยเห็นมาจึงตรัสว่า แม่น้ำที่ชื่อสีทามีอยู่ทางทิศเหนือเป็นแม่น้ำลึกข้ามได้ยากภูเขาทองมีสีดังไฟไหม้ต้นอ้อโฉดช่วงอยู่ทุกเมื่อที่ฝั่งแม่น้านั้นมีต้นกฤษณาขึ้นงอกงามมีภูเขาซึ่งมีป่าไม้ขึ้นงอกงามที่ภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์อย่างนี้นั้นมีฤาษีรุ่นเก่าประมาณหมื่นตนอาศัยอยู่ หมอมฉันเป็นผู้ประเสริฐเพราะทานความสมํารวมและความฝึกหมอมฉันได้อุปถากดาบทเห็นปานนี้ซึ่งบําเพ็ญวัดซึ่งไม่มีวัดเอื่นยิ่งกว่าและคณะไปอยู่ผู้เดียวมีจิตเป็นสมาธิหมอมฉันจักนบนอบนรชนผู้มีชาติและไม่มีชาติผู้ปฏิบัติตรงตลอดการเป็นนิสเพราะเหล่าสัตว์เป็นผู้มีการเป็นเผ่าพันธ์ฉะนั้นวั น, นะทั้งปวงที่ไม่ตั้งอยู่ในธรรม ย่อมตกนรกเบื้องต่ําวั น, นะทั้งปวงย่อมบริสุทธิ์ได้เพราะประพฤติ ธ, ธรรมสูงสุดพระศ า, าสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าท้ามขวานสุชมบดีเทวราชครั้นตรัสพระตํารรมนี้แล้วจึงทรงสั่งสอนพระเจ้าเนมิผู้ครองแคว้นวิเทหะแล้วได้เสด็จจากไปสู่หมู่เทพชาวสวรรค์ท้าสกกะเทวราชครั้นตรัสอย่างนั้นแล้วจึงตรัสเหตุนั้นอีกว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายขอท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันณที่นี้ประมาณเท่าใดจงตั้งใจฟังคุณเป็นอันมากทั้งสูงและต่ำนี้ของเหล่ามนุษย์ผู้ตั้งอยู่ในธรรมเหมือนพระเจ้าในมินี้ผู้เป็นบัณฑิตมีพระประสงค์กุศลเป็นพระราชาผู้ทรงปราบอริราชศัตรูได้ได้ทรงให้ทานแก่ชาวแคว้นวิเทหะทั้งปวงเมื่อพระองค์ทรงบริจาคทานนั้นอยู่ก็ได้เกิดพระดาริ ข, ขึ้นว่า ทานก็ดีพรมจันทร์ก็ดีอย่างไหนเล่าจะมีผลมากมหาชนร่าเริงยินดีจึงกล่าวว่าความขนพองสยองกล้าวที่ไม่เคยมีมาแล้วหนอได้เกิดขึ้นแล้วในโลกรสทิพย์ได้ปรากฏแก่พระเจ้าวิเทหะผู้ทรงยศพระศ า, าสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่ามาตลีเทพบุตรผู้เป็นเทพสารทีมีฤทธิ์ ม, มาก ได้เชื้อเิญพระเจ้าวิเทหะผู้ครองกรุงมิถิลาว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐเป็นใหญ่ในทิศขอเชิญเสด็จขึ้นรถพระที่นั่งนี้เถิดเทพชั้นดาวดึงพร้อมด้วยพระอินประสงค์จะเฝ้าพระองค์พระเทพเหล่านั้นกำลังระลึกถึงนั่งกล่าวสรรเสริญคุณของพระองค์อยู่ณสุธรรมมสภาลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหะผู้ครองกรุงมิถิลาผู้ทรงธรรม ดวนรีบเสด็จลุกขึ้นจากพระราชอาธ์บายพระพักขึ้นสู่รถพระที่นั่งมาตลีเทพพบุตรได้ทูลถามพระเจ้าเนมิผู้เสด็จขึ้นรถทิพย์แล้วว่าข้าแต่พระราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นใหญ่ในทิศข้าพระองค์จะนำพระองค์ไปทางไหนคือทางที่คนทำบาปหรือทำบุญไว้ลำดับนั้นพระเจ้าเนมิจึงตรัสกับมาตลีเทพสารถีนั้นว่า มาตาลีเทพสารถีขอให้ท่านจงนําเราไปทั้งสองทางนั่นแหละคือทางที่คนทําบาปและทางที่คนทําบุญไว้ต่อจากนั้นมาตาลีเทพสารถีทูลถามว่าข้าแต่พระราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นใหญ่ในทิศข้าพระองค์จะนําเสด็จพระองค์ไปทางไหนก่อนคือทางที่คนทําบาปหรือทางที่คนทําบุญไว้พระเจ้าเนมิตรัสว่า เราจะดูนรกซึ่งเป็นที่อยู่ของเหล่านรชนที่มีกรรมเป็นบาปสถานที่อยู่ของเหล่านรชนที่มีกรรมหยาบช้าและคติของเหลานรชนผู้ทุศีลก่อนพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่ามาตลีเทพสารถีฟังพระดำรัสของพระราชาแล้วจึงแสดงแม่น้ำที่ชื่อเวตรณีที่ข้ามได้ยากประกอบด้วยน้าด่างที่ร้อนเดือดพล่าน เปรีบด้วยเปลวเพลิงพระเจ้าเนมิท่อพระเนศสัตว์ผู้ตกอยู่ในแม่น้ำเวตระนีที่ข้ามได้ยากจึงได้ตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่ามาตลีเทพสารถีความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นสัตว์นรกเหล่านี้ผู้ตกอยู่ในแม่น้ำเวตระนีเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรเนอจึงตกลงสู่แม่น้าเวตรนี มาตาลีเทพสารธีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วจึงได้ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำชั่วไว้ตามที่ทราบแต่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าชนเหล่าใดในมนุษย์โลกผู้มีกำลังมีกรรมอันเป็นบาปย่อมเบียดเบียนด่าว่าผู้อื่นซึ่งมีกำลังน้อยชนเหล่านั้นผู้มีกรรมหยาบช้าทาบาปแล้วย่อมตกลงสู่แม่น้าเวตรนี ฝูงสุนัขดำฝูงสุนัขด่างฝูงแรงฝูงกาปากเหล็กที่น่ากลัวรุมกัดจิกกินสัตว์นรกความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นฝูงสัตว์รุมกัดจิกกินสัตว์นรกท่านมาตเีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ได้ทําบาปกรรมอะไรไว้หนอจึงถูกฝูงกาปากเหล็กรุมกัดจิกกินมาตเีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรัสถามแล้ว ก็ทูลพยากรวิปากของเหล่าสัตว์ผู้ทาชั่วไว้ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าชนเหล่าได้เหล่าหนึ่งเป็นคนตรณีเหนียวแน่นมีทำลามกบริภาตเบียดเบียนด่าว่าสมณะและพรามชนเหล่านั้นผู้มีครามหยาบช้าทำบาปแล้วจึงถูกฝูงกาปากเหล็กรุมกัดจิกกินพระเจ้าเนมิทรงเห็นสัตว์นรกเหล่านั้น ทรงสะดุ้งกลัวตรัสถามมัตเลีเทพสารถีว่าสัตว์นรกเหล่านี้มีร่างกายลุกโชนเดินเหยียบแผ่นดินเหล็กที่ลุกโชนนายนิริยบาลทั้งหลายโบยตีด้วยกระบองเหล็กอันร้อนท่านมัตเลีเทพสารถีความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นสัตว์นรกเหล่านี้ที่ถูกโบยตีด้วยกระบองเหล็กเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ได้ทําบาปกรรมอะไรไว้หนอ จึงถูกทุบตีด้วยกระบองเหล็กนอนอยู่มาตาลีเทพเสราีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วก็ทูลพยากรณ์วิปากของเหล่าสัตว์ผู้ทําชั่วไว้ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมินั้นผู้มีทรงทราบว่าชนเหล่าใดในมนุษย์ยโสเป็นผู้มีธรรมอันชั่วช้าเบียดเบียนด่าว่าชายหญิงผู้ไม่มีธรรมอันชั่วช้าชนเหล่านั้นผู้มีธรรมอันชั่วช้ามีคําหยาบช้า ทำบาปแล้วจึงถูกทุบตีด้วยกระบองเหล็กนอนอยู่พระเจ้าเนมิทอดพระเนรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามว่าสัตว์นรกอีกพวกหนึ่งตกหลุมฐานเพลิงถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายร้องครวนครางอยู่ท่านมาตาลีเทพสารถีความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายเราขอถามท่าน สัตว์เหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หนอจึงตกหลุมฐานเพลิงอยู่มาตรลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วก็ทูลพยากรวิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำชั่วไว้ตามที่ทราบแดพระเจ้าเนมินั้นผู้มีทรงทราบว่าชน เ, าเหล่าใดเหล่าหนึง่งอ้างพยานโกงลบหนี้เพราะเหตุแห่งทรัพย์ของประชุมชนข่าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งชน ชนเหล่านั้นครั้นทำทรัพย์ของหมู่ชนที่สิ้นไปแล้วมีกรามอันยาบช้าทำบาปแล้วตกอยู่ในหลุมถานเพลิงพระเจ้าเนมิทรงเห็นเหตุนั้นแล้วจึงตรัสถามว่าโลหะกุมพีใหญ่มีไฟลุกโรลงโชดช่วงปรากฏอยู่ความกลัวย่อมเปิดแก่เราเพราะได้เห็นโลหะกุมพีนั้นท่านมาตลีเทพสารถีเราขอถามท่าน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 ชนเหล่านั้นผู้มีกรามหยาบช้าทําบาปแล้วจึงดิ่งหัวตกลงไปสู่โลหะกุมพีพระเจ้าเนมิทรงเห็นเหตุนั้นแล้วจึงตรัสถามว่านายนิริยบาลย่อมตัดคอหรือผูคอสัตว์นรกฉุดลากโยนลงไปในน้ำร้อนท่านมาตาลีเทพสารถีความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่าน สัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หนอจึงถูกตัดศีรษะนอนอยู่มาตาลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วก็ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำชั่วไว้ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมินั้นผู้มิทรงทราบว่าชนเหล่าใดในมนุษย์โลกสุดแสนจะชั่วจับนกมาฆ่าฆ่าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมชนชนเหล่านั้นครั้นฆ่านกแล้ว มีกรรมหยาบช้าทำบาปแล้วจึงถูกตัดศีรษะนอนอยู่พระเจ้าเนมิทรงเห็นเหตุนั้นแล้วจึงตรัสถามว่าแม่น้ำนี้มีน้ำมากมีฝั่งไม่ลึกมีท่าน้ำงดงามไหลอยู่เสมอสัตว์นรกถูกความร้อนแผดเผาแล้วจะดื่มน้ำน้ำที่สัตว์นรกเหล่านั้นดื่มแล้วก็กลายเป็นแกลไปท่านมาตลีเทพสารถีความกลัวย่อมเกิดแกเรา เพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทําบาปกรรมอะไรไว้หนอน้ําที่สัตว์นรกเหล่านั้นดื่มแล้วจึงกลายเป็นแกลบไปมาตาลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วก็ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทําชั่วไว้ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่าใดมีการงานไม่บริสุทธิ์ เอาเข้ารีบปนข้าเปลือกล้วนๆขายให้แก่ผู้ซื้อน้ำที่สัตว์นรกผู้ถูกความร้อนแผดเผากระหายเหล่านั้นเดิมแล้วก็กลายเป็นแกลลไปพระเจ้าเนมิทรงเห็นเหตุนั้นแล้วจึงตรัสถามว่านายนิริยบาลใช้ลูกสอนหอกและโตมอนแทงสีข้างทั้งสองของเหล่าสัตว์นรกผู้คร่ำครวญอยู่ท่านมาเตลีเทพสารถีความกลัวย่อมเกิดแก่เรา เพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หนอจึงถูกแทงด้วยหอกนอนอยู่มาตรลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วเพือ่อทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทาชั่วไว้ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าชนเหล่าใดในมนุษย์โลกมีการงานไม่ดีลักทรัพย์ของผู้อื่น คือเข้าเปลือกซับเงินทองแพะแกะปะศุสัตว์และกระบือมาเลี้ยงชีวิตชนเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าทำบาปแล้วจึงถูกแทงด้วยหอกนอนอยู่พระเจ้าเนมิตรทถามาตลีเทพสารธีว่าเพราะเหตุใรสัตว์นรกเหล่านี้จึงถูกนายนิริยบาลล่ามคอไว้สัตว์นรกอีกพวกหนึ่งถูกนายนิริยบาลหั่นแล้วสับนอนอยู่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 สัตว์นรกเหล่านี้เคยเป็นผู้ฆ่าแพะฆ่าสุกรฆ่าปลาครั้นฆ่าปศุสัตว์คือกระบือแพะและแกะแล้วจึงวางบนเขียงเพื่อขายเลี้ยงชีพสัตว์นรกเหล่านั้นทำบาปแล้วจึงต้องถูกสับเป็นชิ้นๆกองอยู่พระเจ้าเนมิตรถามมัตเีเทพสารถีว่าห้วงน้ำนี้เต็มไปด้วยอุจจระและปัสสาวะไม่สะอาดบูดเน่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป สัตว์นรกถูกความหิวครอบงำย่อมกินอุจจาระและปัสสาวะนั้นท่านมาตลีเทพสารถีความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไหว้หนอจึงต้องมากินอุจจาระและปัสสาวะมาตลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรัถามแล้วก็ทูลพยากร์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทาชั่วไว ตามที่ทราบแต่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่านี้บางพวกมักก่อเหตุเกลี้ยกราดรังแกมิสหายตั้งมั่นในการเบียดเบียนผู้อื่นทุกเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นมีกลมหยาบช้าเป็นพานประทุสร้ายมิดทาบาปแล้วจึงกินปัสสาวะและอุจจาระพระเจ้าเนมิทรงเห็นเหตุนั้นแล้วจึงตรัสถามว่า ่วงน้ำนี้เต็มไปด้วยเลือดและหนองไม่สะอาดบูดเน่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปสัตว์นรกทั้งหลายถูกความร้อนแผดเผาเกิดความกระหายจึงดื่มเลือดและหนองท่านมาตลรีเทพสารถีความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทาบาปกรรมอะไรไว้หนอจึงกินเลือดและหนอง มาตลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วว่าทูลพยากรณ์วิปากของเหล่าสัตว์ผู้ทําชั่วไว้ตามที่ทราบแต่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าชนเหล่าใดในมนุษย์โลกฆ่ามารดาบิดาหรือพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นประชิกผู้พ่ายแพ้ชนเหล่านั้นผู้มีกรรมอันหยาบช้าทําบาปแล้วจึงกินเลือดและหนอง เมื่อมาตลีเทพสารถีแสดงเรื่องนั้นแล้วพระเจ้าเนมิจึงตรัสถามว่าท่านจงดูลิ้นของสัตว์นรกที่นายนิริยบาลเกี่ยวด้วยเบ็ดและจงดูหนังที่นายนิริยบาลทลกด้วยขอเหล็กสัตว์นรกเหล่านี้ย่อมดิ้นรนเหมือนปลาถูกโยนขึ้นบนบกร้องไห้น้ำลายไหลเพราะเหตุไรท่านมาตลีเทพสารถีความกลัวย่อมเกิดแก่เรา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 มีตำแหน่งหน้าที่ให้ลดราคาซื้อลงจากราคาขายทำการโกงด้วยตาช่างโกงเพราะโลภในทรัพย์ปกปิดการโกงไว้เหมือนคนเมื่อจะฆ่าปลาเอาเหยื่อปกปิดเบ็ดไว้บุคคลผู้ทำการโกงถูกกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีการป้องกันได้เลยสัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าทำบาปแล้วจึงต้องเกลือนกินเบ็ดนอนอยู่ พระเจ้าเนมิตรถามมาตเรีเทพสารถีว่านางสัตว์นรกเหล่านี้มีร่างกายแตกเยิม้มน่าเกลียดเปรอะเปื้อนเลกลื่อกรังไปด้วยเลือดและหนองเหมือนพวกโคหัวขาดในที่ฆ่ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นร้องคร่ำครวญอยู่นางสัตว์นรกนั้นถูกฝังไว้ในแผ่นดินทุกเมือ่อมีภูเขาไฟลูกโชติช่วงกลิ้งมาบดขยี้ท่านมาตเีเทพสารถี ความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของนางสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่านนางสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หนาจึงถูกฝังไว้ในแผ่นดินทุกเมือ่อมีภูเขาไฟลูกโชดช่วงกลิ้งมาบดขยี้มาตาลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วก็ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทาชั่วไว้ตามที่ทราบ แต่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าหญิงเหล่านั้นเป็นกุลธิดาในมนุษย์โลกที่เป็นอยู่นี้มีการงานไม่บริสุทธิ์ประพฤติไม่สงบสงี่ยมทำตัวเป็นนักเลงทอดทิ้งสามีแล้วไปคบหาชายอื่นเพราะเหตุแห่งความเริงรมและเล่นสนุกหญิงเหล่านั้นทำจิตของตนให้เริงรมอยู่กับชายอื่นในมนุษย์โลกแล้วมีภูเขาไฟลูกโชคช่วงเรียงมาบดขยี้ พระเจ้าเนมิตรถามมาตรลีเทพสารถีว่าเพราะเหตุไรนายนิริยาบาลอีกพวกหนึ่งนี้จึงจับเท้าสัตว์นรกให้ศีรษะห้อยลงโยนไปในนรกท่านมาตเตลีเทพสารถีความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทาบาปการรมอะไรไว้หนอจึงถูกนายนิริยาบาลจับศีรษะห้อยลงโยนไปในนรก มาตลีเทพสารธีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วก็ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำชั่วไว้ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในมนุษย์โลกต่างทำกรรมไว้ไม่ดีล่วงละเมิดเหล่าพัญญาของชายอื่นเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้ลักของสาคัญที่สุดจึงต้องถูกนายนิริยบาลจับศรีรษะค้อยลง โยนไปในนรกสัตว์นรกเหล่านั้นเสวยทุกเวทนาอยู่ในนรกนั้นสิ้นปีเป็นอันมากเพราะบุคคลผู้ทาบาปกรรมเป็นปกติถูกกรรมของตนเชิดไว้ข้างหน้าไม่มีการต้านทานได้เลยสัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมอันหยาบช้าทาบาปแล้วจึงต้องถูกนายนิริยาบาลจับศีรษะห้อยลงโยนไปในนรกพระเจ้าเนมิตรถามว่า สัตว์นรกทั้งเล็กและใหญ่เหล่านี้มีการประกอบเหตุการ์ต่างๆกันมีรูปร่างแสนจะน่ากลัวปรากฏอยู่ในนรกท่านมาตรลีเทพสารทีความกลัวย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของสัตว์นรกเหล่านี้เราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้หนอจึงต้องมาสวยทุกเวทนาอันร้ายแรงแข็งกล้าและเผ็ดร้อนเหลือประมาณอยู่ มาตลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรัสถามแล้วก็ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำชั่วไว้ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าเหล่าสัตว์นรกที่เมื่อมีชีวิตอยู่ในมนุษย์ยโสเป็นผู้มีทิฐิสุดแสนชั่วหลงทกำกรรมเพราะความชลาใจและชักชวนผู้อื่นในทิฐิเช่นนั้นมีทิฐิชั่วจึงต้องมาเสวยทุกเวทนาอันแรงแข็งกล้า และเผ็ดร้อนเหลือประมาณอยู่มาตลีเทพสารถีฟังพระดำรัสแล้วจึงแสดงนรกมากมายในทิศทั้งสี่ว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ได้ทรงทราบสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมชั่วของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าและคติของเหล่าสัตว์ผู้ทุศีลแล้วข้าแต่พระราชาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่บัดนี้ขอเชิญพระองค์ สเสด็จขึ้นไปในสำนักของเท้าสักกะเทวราชเถิดเทพมาตตีสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามถึงเทพธิดาจึงกราบทูลพยากรณ์แด่พระองค์ว่าวิมานห้ายอดนี้ย่อมปรากฏนางเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากประดับด้วยอาพรทุกอย่างมีดอกไม้เป็นต้นนั่งอยู่ในถ้ำกลางที่ส่ยาิแสดงเทพฤทธิ์ได้ต่างๆสถิตยอยู่ในวิมานนี้พระเจ้าเนมิตรัสว่า ท่านมาตาลีเทพสารถีความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นพฤติการของนางเทพธิดาผู้สถิตยอยู่ในวิมานนี้เราขอถามท่านนางเทพธิดา น, นี้ได้ทำกรรมอะไรไว้หนอจึงได้ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วก็ทูลพยากรวิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทาบุญไว้ตามที่ทราบแต่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่า บางทีพระองค์จะทรงเคยได้ยินว่าในมนุษย์โลกมีนางทาสีเรือนทาตของพราหม์ชื่อว่าพีรณีคราวหนึ่งนางทราบว่าแขกมาถึงแล้วตามการก็ชื่นชมยินดีเหมือนมารดาชื่นชมบุตรของตนนางมีการสำรวมและการบริจาคบันเทิงอยู่ในวิมานมาตลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามถึงกุศลกรรม ที่โสนทินะเทพบุตรทำแล้วจึงทูลตอบแด่พระองค์ว่าวิมานทั้งเจ็ดหลังถูกเนรมิตขึ้นเรืองรองผ่องใสมีเทพบุตรตนหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์มากประดับประดาด้วยอาภรณ์ทุกอย่างมีหมู่เทพที่ดาวแวดล้อมผาเปลี่ยนเวียนวนอยู่โดยรอบในวิมานทั้งเจ็ดหลังซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ตามลำดับนั้นพระเจ้าเนมิตรัสว่าท่านมาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจย่ำเกิดแก่เราเพราะได้เห็นพฤติการของเทพประบุทผู้อยู่ในวิมานนี้เราขอถามท่านเทพประบตุตนนี้ได้ทํากรรมดีอะไรไว้หนอจึงได้ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรัสถามแล้วจึงทูลพยากรวิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทําบุญไว้ตามที่ทราบแดพระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่า เทพบตุตนนี้เคยเป็นข้าพดีชื่อโสณทินนะเป็นทานาพดีให้สร้างวิมานเจ็ดหลังอุทิศแก่บรรพชิตเขาได้อุปถัมภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในวิหารเจ็ดหลังนั้นด้วยความเคารพได้บริจาคผ้านุ่งผ้าหม่มอาหารเสนาสนะเครื่องประทีบในท่านผู้ปฏิบัติตรงทั้งหลายด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลที่ประกอบด้วยองค์8 ทุกวัน14บสค่ำ15้าค่ำและ8ปดค่ำแห่งปักพร้อมทั้งวันปฏิหารยปักเป็นผู้สำรวมในศีลทุกเมื่อจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานในเพราะการสำรวมและการบริจาคทานมาตลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามถึงกุศลกรรมของเหล่าเทพอับสรจึงทูลตอบว่าวิมานที่ถูกเนรมิตไว้ดีแล้วนี้มีฝาสำเร็จด้วยแก้วผลึก เกลือนกลลไปด้วยหมู่นางเทพอับสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดประกอบไปด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำและขับร้องทั้งสองอย่างส่งแสงสว่างสวัยอยู่พระเจ้าเนมิตรัสว่าท่านมาตรีเทพสารถีความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปแห่งวิมานนี้เราขอถามท่านนางเทพอับสรเหล่านี้ได้ทํากรรมดีอะไรไว้หนอ จึงได้ขึ้นสวรรค์บรรเทิงอยู่ในวิมานมาตรลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วจึงทูลพยากรวิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญไว้ตามที่ทราบแต่พระเจ้าเนมินั้นผู้มีทรงทราบว่านางเทพอับซอนเหล่านั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในมนุษย์โลกเคยเป็นอุบาสิ ก, กาผู้มีศีลยินดีในการให้ทานมีใจเลื่อมใสเป็นนิดตั้งอยู่ในสัจจะ ไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้สำรวมและทำการบริจาคทานจึงบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระเจ้าเนมิตรถามถึงกุศลกรรมของเทพระบุตรเหล่านั้นว่าวิมานที่ถูกเนรมิตไว้ดีแล้วนี้มีฝาสำเร็จเรือกแก้วไพลทูลประกอบเรือภูมิภาคที่น่ารื่นรมจัดสรรสร้างไว้เป็นส่วนๆส่องแสงสว่างสวัยอยู่เสียงทิพ คือเสียงเปิงมงังเสียงตะโพนเสียงการฟ้อนรําขับร้องและเสียงประคุมดนตรีเปล่งออกมาหน้าฟังเป็นที่น่ารื่นรมใจเราไม่รู้สึกว่าเคยได้เห็นหรือเคยได้ฟังเสียงที่น่ารื่นรมใจอย่างนี้ที่ไพเราะอย่างนี้มาก่อนเลยท่านมาตลีเทพสารถีความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของวิมานนี้เราขอถามท่าน เทพระบุตนนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้หนอจึงได้ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตาลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วจึงทูลพยากรวิบาาของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญไว้ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบระบุบางพวกเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในมนุษย์โลกเคยเป็นอุบาสกผู้มีศีลได้สร้างสวนดอกไม้บ่อน้ำน้ำประปา และสะพานได้โปรนิบัติพระอรหันต์ผู้สงบเย็นด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบินทบาทเสนาสนะและปัจจัยในท่านผู้ปฏิบัติตรงทั้งหลายด้วยจิต ท, ที่เลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลที่ประกอบด้วยองค์8ทุกวันส4่ขั้มสิห้าข้มและ8ดข้มแห่งปักพร้อมทั้งวันปฏิหารยปักเป็นผู้สำรวมในศีลทุกเมื่อทั้งมีความสารวมและการบริจาคทาน เทพบุตรเหล่านั้นจึงมาบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระเจ้าเนมิทรงมีพระทัยยินดีจึงตรัสถามกุศลกรรมของเทพบุตรนั้นว่าวิมานที่ถูกเนรมิตไว้ดีแล้วนี้มีฟ้าสำเร็จด้วยแก้วผลึกเกลื่อนกลนด้วยหมูนางเทพอับซอนผู้ประเสรศิฐรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้างดงามด้วยการ้อนราขับร้องทั้งสองส่องแสงสว่างสวัยอยู่ และแม่น้ำสายหนึ่งที่ประกอบด้วยไม้ดอกนานาชนิดหลายเป็นล้อมรอบวิมานนั้นท่านมาตาลีเทพสารถีความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของวิมานี้เราขอถามท่านเทพบุตบุนี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้หนอจึงได้ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตรลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วจึงทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทาบุญไว ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพบุตรนี้เคยเป็นข้าอบดีเป็นทานบดีอยู่ในกรุงมิถิลาได้สร้างสวนสาธารณะบ่อน้ำน้ำประปาและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ผู้สงบเย็นด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบินทบาทเสนาสนะและปัดใจในท่านผู้ปฏิบัติตรงทั้งหลายด้วยจิตที่เลื่อมใส ได้รักษาอุโบสถศีลที่ประกอบด้วยองค์8ทุกวัน14่ค่ำ15าค่ำและ8ค่ำแห่งปักพร้อมทั้งวันปฏิหารยปักเป็นผู้สำรวมในศีลทุกเมือ่อจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานในเพราะการสำรวมและการบริจาคทานพระเจ้าเนมิตรถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรผู้ประกอบด้วยสมบัตินั้นว่าวิมานที่เนรมิตไว้ดีแล้วนี้มีฝาสาเร็จด้วยแก้วผลึก เกลือนกลลด้วยหมู่นางเทพอับสร น, นารีผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยเรือนยอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องทั้งสองส่องแสงสว่างสวัยอยู่และแม่น้ำสายหนึ่งที่ประกอบด้วยต้นไม้ดอกนาน า, นาชนิดหลายเป็นล้อมรอบวิมานนั้นมีไม้เกศไม้มะขิดไม้มะม่วงไม้สาละไม้ว่าไม้มะพร้าวและไม้มหาดเป็นจํานวนมาก มีผลตลอดฤดูการท่านมาตลีเทพสารถีความปลื้มใจย่อบเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปของวิมานนี้เราขอถามท่านเทพบุตรนี้ได้ทํากรรมดีอะไรไว้หนอจึงได้ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรสถามแล้วจึงทูลพยากรวิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทําบุญไว้ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่า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 พร้อมทั้งวันปฏิหารยปักเป็นผู้สำรวมในศีลทุกเมื่อจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานในเพราะการสำรวมและการบริจาคทานพระเจ้าเนมิตราทามมาตาลีเทพสารถีว่าวิมานที่เนรมิตไว้ดีแล้วนี้มีฟ้าสำเร็จด้วยแก้วไพลทูลประกอบด้วยภูมิภาคอันน่ารื่นรมที่จัดสรรสร้างไว้เป็นส่วนๆส่งแสงสว่างสวัยอยู่มีเสียงทิพ คือเสียงเปิงมังเสียงตะโพนเสียงการโฟนราขับร้องและเสียงประคมดนตรีเปล่งออกมาหน้าฟังเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจเราไม่รู้สึกว่าเคยได้เห็นหรือเคยได้ฟังเสียงที่น่ารื่นรมย์อย่างนี้ที่ไพเราะอย่างนี้มาก่อนเลยท่านมาตาลีเทพสารทีความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปในวิมานนี้เราขอถามท่าน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 พระเจ้าเนมิตรัถามมัตตลีเทพสารถีว่าวิมานทองที่เนรมิตขึ้นนี้รุ่งเรืองสุขใสเหมือนดวงอาทิตย์ดวงใหญ่โผล่ขึ้นมาเป็นสีแดงท่านมัตลีเทพสารถีความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปในวิมานนี้เราขอถามท่านเทพประบุตรนี้ได้ทากรรมดีอะไรไว้หนอจึงได้ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมาน มตลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วว่าทุนพยากรวิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทาบุญไว้ตามที่ทราบแต่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าเทพระบุตรตนนี้เคยเป็นข้าอบดีเป็นธานบดีอยู่ในกรุงสาวัตถีได้สร้างสวนสาธารณะบ่อน้ำน้ำประปาและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันผู้สงบเย็นด้วยความเคารพ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 พระเจ้าเนมิทอดพระเนสสมบัติของเทพประบรุที่อยู่ใ น, น, น ว, วิมานนั้นจึงตรัสว่าวิมานทองเป็นอันมากนี้ที่ได้เนรมิตไว้ลอยอยู่ในอากาศรุ่งเรืองสุขใสเหมือนสายฟ้าส่องแสงเรืองเรืองอยู่ในระหว่างก้อนเมฆทึบเหล่าเทพระบุรผู้มีฤทธิ์มากประดับด้วยอาภรทั้งปวงมีหมู่เทพอักษรห่อมล้อมลเปลี่ยนเวียนวนกันอยู่ในวิมานเหล่านั้นโดยรอบท่านมาตลีเทพสารถี ความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปในวิมานนี้เราขอถามท่านเทพบุตรุเหล่านี้ได้ทำกรรมดีอะไรไว้หนอจึงได้ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานมาตลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วก็ทูลพยากรณ์วิบาาของเหล่าสัตว์ผู้ทาบุญไว้ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมินั้นผู้มิทรงทราบว่า เทพบุตรเหล่านี้เคยเป็นสาวกในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อศรัทธาตั้งมั่นแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระสัตยธรรมดีแล้วได้ทําตามพระํารัสของพระศาสดาข้าแต่พระราชาเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสถานที่สถิตของเทพบุตรเหล่านั้นเถิดมาตลีเทพสารธีเมื่อจะทําอุตสาหะเพื่อจะให้พระเจ้าเนมิเสด็จไปสํานักของเท้าสักกะเทวราชจึงทูลว่า ข้าแต่มหาราชพระองค์ได้ทรงทราบสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมชั่วและทรงทราบสถานที่สถิตอยู่ของเหล่าเท พ, พเจ้าผู้มีกรรมดีแล้วข้าแต่พระราชาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่บัดนี้เชิญพระองค์เสด็จขึ้นไปในสำนักของท้าวสักกะเทวราชเถิดพระาศาสดาเมื่อจะตรัสการที่พระเจ้าเนมิทอดพระเนตรภูเขาเหล่านั้นแล้วตรัสถามมัตลีเทพสารถีให้แจมแจ้ง จึงตรัสว่าพระมหาราชเสด็จประทับบนทิ่พยายานเทียมด้วยม้าสินทบพันตัวเสด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นภูเขาทั้งหลายในระหว่างมหาสมุทรสีทันดรครั้นแล้วจึงได้ตรัสถามมาตตลีเทพสารถีว่าภูเขาเหล่านี้ชื่ออะไรมาตตลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรัสถามแล้วก็ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทําบุญไว้ตามที่ทราบ แต่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่สงทราบมาตาลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามอย่างนั้นแล้วจึงกราบทูลว่าภูเขาหลวงทั้งเจ็ดเทือกคือภูเขาสุทัศนะภูเขากระวีกะภูเขาอิสินทอนภูเขายุคันทอนภูเขาเนมินทอนภูเขาวินตกะภูเขาอสักกันะภูเขาเหล่านี้สูงขึ้นไปตามลำดับ อยู่ในมหาสมุทรสีธันดรเป็นที่อยู่ของท้าวมหาราชข้าแต่พระราชาเชิญพระองค์ทออพระเนตรภูเขาเหล่านั้นเถิดพระเจ้าเนมิทออพระเนตรเห็นพระอินท์นั้นแล้วจึงตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่าประตูมีรูปหลายอย่างรุ่งเรืองงดงามไปด้วยรัตนน า, นานาชนิดสมบูรณ์ด้วยรูปเหมือนพระอินทย่อมปรากฏเหมือนป่าใหญ่ที่เสือโครง่งหรือราชสีรักษาไว้ดีแล้ว ท่านมาตรลีเทพสารถีความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นประตูนี้เราขอถามท่านประตูนี้เขาเรียกชื่อว่าอะไรหนอน่ารื่นรมใจปรากฏแต่ที่ไกลทีเดียวมาตรลีเทพสารถีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วก็ทูลพยากรวิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญไว้ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมินั้นผู้ไม่ทรงทราบว่าประตูนี้เขาเรียกว่า จตรกตรูเป็นที่เสด็จเข้าออกของเท้าสักกะเทวราชประตูนี้เป็นซุ้มประตูของเทพนครที่ตั้งอยู่ในที่สุดแห่งภูเขาสุทัศนะประตูมีรูปหลายอย่างรุ่งเรืองงดงามไปด้วยรัต น, นานาชนิดสมบูรณ์ด้วยรูปเหมือนพระอินย่อมปรากฏเหมือนป่าใหญ่ที่เสือโคร่งหรือราชสีรักษาไว้ดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปทางประตูนี้เถิดขอเชิญพระองค์ทรงเหยียบภาคพื้นอันเป็นทิพย์พระศาสดาตรัสว่าพระมหาราชเสด็จประทับบนทิพยายาณที่เทียมด้วยม้าสินทพประมาณพันตัวเสด็จไปอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวสภานี้แล้วพระเจ้าเนมิได้ทอดพระเนตรเห็นเทวสภาชื่อสุธรร ม, มาจึงตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่า วิมานที่เนรมิตไว้แล้วนี้มีฟ้าสำเร็จเลือกเก้าไพทูนเปรียบเสมือนอากาศส่งแสงสว่างสวยัยทอสีอเขียวในศาธการท่านมาตลีเทพสารธีความปลื้มใจย่อมเกิดแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปในวิมานนี้เราขอถามท่านวิมานนี้เขาเรียกว่าอะไรหนอน่ารื่นรมใจปรากฏแต่ไกลทีเดียว มาตาลีเทพสารธีถูกพระเจ้าเนมิตรถามแล้วก็ทูลพยากรณ์วิปาของเหล่าสัตว์ผู้ทาบุญไว้ตามที่ทราบแด่พระเจ้าเนมิผู้มิทรงทราบว่าวิมานนี้นั้นเป็นเทวสภาเขาเรียกชื่อปรากฏว่าสุธรรมมารุ่งเรืองด้วยแก้วไพยทูลตระการตาที่เนรมิตไว้อย่างดีมีเสาแปดเหลี่ยมที่ทาไว้ดีแล้วทุกต้นล้วนแล้วด้วยแก้วไพลทูล เป็นที่อยู่ของเทพชั้นเดวเดืองทั้งมวลซึ่งมีพระอินเป็นประธานประชุมกันคิดถึงประโยชน์ของเหล่าเทวดาและมนุษย์ข้าแต่พระราชาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปสู่ที่พยสถานเป็นที่บันเทิงกันและกันของเหล่าเทวดาโดยทางนี้เถิดพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าเทพเจ้าทั้งหลายเห็นพระเจ้าเนมิเสด็จมาถึง ต่างพากันยินดีต้อนรับว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วไม่ได้เสด็จมาร้ายข้าแต่พระราชาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่บัดนี้ขอพระองค์ประทับนั่งณนะที่ใกล้เ ท, เ ท, เทวราชเถิดถึงเท้าเวราชก็ทรงยินดีต้อนรับพระองค์ผู้เป็นใหญ่แห่งชาวแคว้นวิเทหะทรงปกครองกรุงมิถิลา ท้าววาสวะก็ทรงเชื้อเชิญด้วยทิพยากามารมและทิพยาอาจว่าข้าแต่พระราชาผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นความดีแล้วที่พระองค์ได้เสด็จมาถึงทิพยสถานเป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาผู้บรรดาลสิ่งที่ตนต้องประสงค์ให้เป็นไปตามอำนาจขอเชิญพระองค์ประทับอยู่ในหมู่เทพเจ้าผู้ประกอบด้วยความสาเร็จแห่งทิพยากามารมทั้งปวง ขอเชิญพระองค์ทรงสวยกรามทั้งหลายที่ไม่ใช่ของมนุษย์อยู่ในหมู่เทพชั้นเดวดึงเถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าเนมิถูกเท้าเทวราชเชื้อเชิญด้วยการามทิพย์และให้ประทับนั่งเมื่อจะทรงปฏิเสธจึงตรัสว่ายานที่ขอยืมเขามาทรัพย์ที่ขอยืมเขามาสําเร็จประโยชน์ชั้นใดของที่บุคคลอื่นให้ก็สําเร็จประโยชน์ฉั้นนั้นเหมือนกันหม่อมฉันไม่ได้ประสงค์สิ่งที่ผู้อื่นให้ บุญทั้งหลายที่ตนได้ทำไว้เองเป็นทรัพย์ของหม่อมฉันผนกหนึ่งต่างหากหมอมฉันนั้นจะกลับไปทำบุญให้มากขึ้นในหมู่มนุษย์ด้วยการบริจาคทานการประพฤติสม่าเสมอความสำรวมและความฝึกอินทรีย์ที่บุคคลทำแล้วจะได้รับความสุขและไม่เดือดร้อนใจในภายหลังพระเจ้าเนมิโพธิสัตย์เมื่อจะตรัสยกย่องคุณของมาตลีเทพสารถีจึงตรัสว่า ท่านมาตลีเทพสารทีได้แสดงสถานที่อยู่ของถวยเทพผู้มีกรรมดีและสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์นรกผู้มีกรรมชั่วชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เราพระศาสดาเมื่อจะตรัสการที่พระเจ้าเนมิโพธิสัตย์บวชแล้วให้แจ้งชัดจึงตรัสพระคถาสุดท้ายว่าพระเจ้าเนมิแห่งชนชาวแคว้นวิเทหะทรงปกครองกรุงมิถิลาครั้นได้ตรัสพระคถานี้แล้ว ทรงบูชายันเป็นอันมากแล้วจึงทรงเข้าถึงความสารวมเนมิราชชาดกที่สี่จบ